Thank mm -hmm. you. บรีเอเปบเก้ r จุดเมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต Printing and Packaging อย่างดีไซเนอร์จูเตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์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 โดยปิยพงษ์เทนทวายและอาทิตยาปักกะทานังทาง f m 8 9 5มแเกหมเ สวัสดีครับุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันสุกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันสุกที่28มิถุนายน2562ทาง f m 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเช้าวันนี้นะฮะเจอกันกับผมกับปียพงษ์เคนดาวัยพร้อมด้วยคุณอาทิตยาปากกทานังครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณปียพงษ์กลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคุณปียพงษ์นะเต็มที่ไปเลยเต็มที่ตลอดหลายสัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่า จริงๆหายไป3สัปดาห์แล้วนะใช่3ใช่สสัปดาห์หัวฟังหมกเงามากๆเลยนะคะกลับมาแล้วสุขภาพเป็นยไงบ้างอัพเดตกันนิดนึงบิ๊กบงก็อยู่ในช่วงของการดูแลบำรุงร่างกายน้ำหนักลดไปเกือบ10กิโลบางคนบอกโดีจังเลยแบบนี้ไม่ดีนะร้ไมฟังอันนี้ไม่ดีนะฮะเพราะว่า ต้องบอกว่าป่วยเป็นโรคที่ไม่ควรจะป่วยในช่วงของคนโตเอาคุณเป็นไข้หัดคุณผู้ฟังเป็นไข้หัดไม่ใช่หัดจีนตมวันนะเป็นหัดธรรมดานี่แหล้นะฮะก็อยู่ในกลุ่มถ้าถ้าพูดถึงแบบถ้าต่างจังหวัดเขาเรียกว่ากลุ่มในไข้ออเป็นออกอิสุใสอ่าในกลุ่มนั้นอ่นะฮะหมอก็บอกว่าโหนะอย่าไปไหนกลับบ้านไปนอนซะนี่ก็เลยไม่ได้มาที่นี่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังต้องบอกว่าดูแลร่างกายด้วยสมุนไพรสมุนไพรแบบ โบราณจริงๆคือทานยาเขียวในจุดนี้ต้องสมุนไพรเท่านั้นบางคนบอกว่าไอ้ยาเขียวทานนีเป็นคืออะไรนะฮะมันก็จะมีกลุ่มยาขมยาเขียวนะยาเขียวเนี่ยก็จะมีเรื่องของการไข้หัดเหงื่ออ่ามันก็จะมีอีสุอีใสายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตากจังหวัดจริงๆเนี่ยก็จะต้องเป็นทั้งกิน แล้วก็เช็ดแล้วก็เช็ดตัวชูฟังสองอาทิตย์ที่โหแบบมีเรื่องราวแบบว่าต้องเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับหลายคนแบบได้รู้จักว่าโอ้จริงๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังใช่ค่ะด้วยที่ว่าร่างกายเราเราอ่อนแอ คือทํางานหนักมากคุณฟังคือใครจะไปคิดนะคุณอย่าพงว่าในวันหนึ่งเราจะมาเป็นโรคที่เราคิดว่าเราป้องกันตวเด้วยการฉีดวัคซีนแล้วนะสำหรับฮัดเองเนี่ยนะคะเป็นเป็นไฟบังคับที่น้องๆทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเด็กนะคะซึ่งคุณก็มาเป็นในโรคนั้นนั่นเองนะก็เริ่มดีคือนแล้วคุฟังแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังคือจนกว่าอาการจะดีขึ้นและหายเกือบไปปกติอันนี้เราถึงจะมาเจอผู้คนได้เพราะไม่งั้นคือหนึ่งเราจะไปติดเชื้อโรค จากคนอื่นอ่าอันนี้อยู่ในช่วงที่ว่าเราไม่ได้มาแพร่เชื้อแล้วแต่ว่าเป็นช่วงที่เรายังบอกว่ายังบอบช้าอยู่นหน่อยบอบช้ำอยู่แล้วก็ต้องมาระวังตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้าวพูดถึงเรื่องราวของตัวเองมาดูข่าวสารกันบ้างดีกว่ามู่ฟางมาดูเรื่องราวนี้นะฮะทางด้านของวินดีเซลเขามีการอัดคลิปเรื่องราวของการถ่ายทําภาพยนตร์จําได้ว่ารัฐบาลเองกระทรวงวัฒนธรรมเองมีการส่งเสริมเรื่องราวของการเชิญชวนเหมือน ผู้ผลิตภาพยนตร์ภาพยนต์จากต่างประเทศ h o l l y w o o นะมาถ่ายทําที่บ้านเราเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศใตอนนี้ก็บอกว่ามีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นคือ Fast and the Furious 9อเขาบอกว่ามาถ่ายทําที่บ้านเราแล้วนะแล้วก็บอกว่าด้านคอหนังรอชมคลิปสุดพิเศษจากนักสแสดงในเรื่องนี้ใช่แล้วค่ะหลังจากที่คุณกิษยพงศ์สิรินะคะปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมเองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาตินะคะก็เผยถึงเรื่องราวของการถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกค่ะ ฟาดแอเดฟิโเรสนายนะคะซึ่งทางทีมงานเองได้ยกหน้กองถ่ายมาถ่ายทําที่เมืองไทยด้วยกัน4จังหวัดภาคใต้ค่ะมีกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะยกทีมมาหมดเลยคุณมีดาราดังนะคะแล้วก็มีรถหรูหลาย10คันนะคะเข้าร่วมฉากกันอย่างคับคั่งซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ตาบลทับปลีกอำเภอเมืองกระบี่เองนะคะก็แจ้งว่าเริ่มน ะ, ะมีการเห็นรถเฮเลอร์นะคะบรรทุกรถสปอร์ตหรูบางส่วนซึ่งคาดว่าจะเป็นรถที่ใช้ในการถ่ายทํานะคะเก็บไว้ในพื้นที่หมู่2องตบลทับ แล้วค่ะโดยมุ่งหน้าไปยังโรงโม่หินเก่าแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าที่นี่แหละจะเป็นสถานที่ในการถ่ายทำบางส่วนนะคะโดยทีมงานแล้วก็อุปกรณ์เองเนี่ยเดินทางเข้าไปไม่ขาดสายค่ะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับนะชาวกระบี่ซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเห็นคนของแต่ไม่รู้หรอกอคนอะไรกันมา ถ่ายภาพยนตร์แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟาสต์แอนด์เฟรียส์นค่ะครับผ ม, มการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคมคาดว่าจะเป็นการแยกถ่ายทําในหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เป็นถนนที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในฉากสุดซิ่งอ่าสุดมันนะเพราะว่าต้องบอกว่า Fast a n d นด์เฟรียส์เนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งรถใช่แล้วต้องปรับใช้พื้นที่การโขขับรถแบบว่าถนนเขาต้องบอกว่า<อ>มีความแบบ แม่สไต้นะใช่แล้วนะค ะ, คะน่าจะเป็นถนนสายบ้านในสะเขาทองอเส้นนี้เลยนะครับเนื่องจากทิวทัศน์และถนนสายดังกล่าวเนี่ยมีความสวยงามของภูเขาหินปูนที่เรียงรายสลับกันเกือบตลอดทั้งสายรวมถึงเป็นถนนสายรองที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนซึ่งสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางหลักได้แทนในระหว่างที่มีการ ปิดถนนเพื่อถ่ายทมนะครับาทางด้านของท่านผู้อนวยการทรอทอสำนัก ง, งานกระบี่คุณอภิชัยอรัญยิกท่านบอกงี้ เรื่องของการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาเลือกโลเคชันถ่ายทําที่จังหวัดกระบี่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเขาบอกว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีคนติดตามเป็นจำนวนมากทั่วโลกค่ะสําหรับดารานักสแสดงนําต่างก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่เรื่องง่ายที่บุคคลเหล่านี้จะเดินทางมาในจังหวัดกระบี่รวมทั้งอีก23าจังหวัดด้วยคือพังงาสุราธานีและก็ภูเก็ตนะครับใช่แล้วค่ะสําหรับฉากในการถ่ายทํานี้นะคะเป็นการจรนาการสถานที่ก็เราทราบว่าทาง ทีมงานเองเนี่ยนะคะเขามีการเน้นฉากภูเขาหินปูนก็เลยมีการหาโลเคชันที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยนะคะมีลักษณะตรงตามที่ทีมงา น, นต้องการเลยเพราะว่ามีพื้นที่นะคะภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนจํานวนมากเลยนะคะแต่ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะต้องร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ให้ความร่วมมือไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ไปถ่ายทําในกองถ่ายไปถ่ายรูปเข้ามาเผยแพร่พะนะเพราะยังเป็นความลับอยู่นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ วินดีเซลแล้วก็มิเชลโรลิเกสนะคะสนักแสดงนําในเรื่องก็โพสต์คลิปขณะเซสช้นการถ่ายทำวันแรกคือจริงๆเนี่ยเขากล่าว่า1กระดาคมแต่ว่าก็มีในบางส่วนที่มีการถ่ายทําไปบ้างแล้วนะคะคก็มีการกล่าวถึงความรู้สึกบอกว่าเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำวันแรกรู้สึกเหมือนปฏิหารซาบซึ้งใจมากๆต้องขอบคุณยูนิวเซลรวมถึงทีมงานทั้งหมดทีมงานที่น่าทึ่งและเหล่านักแสดงด้วยที่สําคัญกับคุณทุกคนที่ยอมรับในภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสุขมากแล้วก็รักพวกคุณมากๆอ่านนี้เป็นการเปิดตัวและ ว, ว่าเริ่่มในกาาาารถายทํภพ เรื่องนี้อาจจะเป็นฉากในอาคารหรือพื้นที่ต่างๆในกรกฎาคมอาจจะเป็นฉากเรื่องของการถ่ายทําการแข่งรถแต่นี่ดิฉันเห็นว่าแวกคุณวีดีเซลนี่เขาทานกล้วยเยอะเลยนะไม่ใช่แบบของประเทศไทยนี่แหละคือเมืองไทยเนี่ยอิ่มน้าสําราญบรรยากาศอากาศดีด้วยนะครับสำหรับ Fast a n d f อ r i o u s เนี่ยนะว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ครองใจผู้ชมมานานเลยทีเดียวครับ ทุกครั้งที่มีข่าวของการถ่ายทําในภาคอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็การรอคอยจากแฟนคลับเสมอถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นและแต่ละภาคที่ฉายออกมาเองก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเช่ เ, เรื่องนี้นะฮะในภาคนี้เนี่ยพร้อมที่จะกําหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้ชมซิ่งไปพร้อมกันทั่วโลกในวันที่10เมษายนปีน2020 ปีหน้านี่แล้วเบียว์พงผมเชื่อว่าฉากอื่นๆเนี่ยเขาคงมีการถ่ายทำที่ที่หลายประเทศมาแล้วและว่าฉากสำคัญในในบางจุดเองเนี่ย ก็อาจจะเลือกมาถ่ายที่ไทย<ช>แล้วก็จะเห็นหนึ่งฉากผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยหลาคนตั้งตาร อ, อและจะไปดูว่าโอ้หฉากในไทยของเราเนี่ยมันสวยขนาดไหนฉันเชื่อว่าหลายหลายคนไม่เชื่อแน่นอนว่าเป็นฉากใครทำในไทยเพราะว่ามันจะต้องออกมาสวยมากๆเลยนะคะเอามาติดตามอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเริ่มมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันน้องเบียบพงศในเรื่องของตู้ขีปตุ ก, กตาใช่แล้วนะครับ <ดา S 2> ซึ่งผมเชื่อว่า <นะ S 1> ใครไปที่ห้างสรรพสินค้าไปตามโรงภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยใช่ค่ะ ก็มีโอกาสเล่นผมจําได้ว่าสมัยก่อนเด็กโอโห10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปหยอดเหรียญนะ10บาทหยอดหืมสนุกมากเลยกว่าจะได้ตัวนึงเนี่ยก็ตกไประมาณร้อยกว่าบาท200ร้อยถท่านบอกว่าก็จ่ายเงินไปเลยไม่ได้หรอกบางคนบอกว่าจริงๆแบบอยเขาเขียนไว้นะเขาเขียนไว้นะถ้าคุณอยากได้ตุ๊กตาในตู้เนี่ยเท่าไหร่250แต่มันก็ไม่แบบความประทับใจไงบางคนบอกว่าเอ้ยหยอดไปเถอะมันไม่มีมันไม่ลุ้นร้อยกว่าบาทอาจจะได้แล้วแหละหยิบก่อนแล้วอย่างนั้นแต่นะตอนนี้เราเห็นอะไรที่ไม่แปลกขึ้น ไม่ไม่ใช่แค่อยู่ในห้างหรือพื้นที่ที่เขามีการอนุ ญ, ญาตอย่างเดียวเขามีเอาออกมาข้างนอกมันอยู่ตามชุมชนเขตบ้านเรือนหรือใกล้กับสถานที่ราชการหรือ โรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยร้านโชว์หัวอยู่ดีก็มีตู้คีิปตุ๊กตาโผล่มาซะ ง, งั้นเขาเขียนว่าตู้ฝึกทักษะนะ <c oughs> เ อ, อ<ช>ไม่รู้เ <c oughs> ขาใช้เลี่ยงคําได้อย่างไร <c oughs> อ, อ, กอกากงกปกครองบอกว่ายังไงใช่แล้วค่ะระบุนะคะว่าตู้คีิปตุ๊กตาผิดกฎหมายนะคะทางด้านของเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันนะคะเป็นห่วงว่าตู้คลิปตุ๊กตาเนี่ยจะระบาด ท, ทั่วเมืองเลยนะคะถ้ายัางไม่ถูกจัดการทางที่คำํำพิพากษาชัดเจนแล้วว่าเข้าข่ายการพนันค่ะจากกรณีของฝ่ายปกครองจังหวัดอุดรธานีต้องบอกว่ายกย่องให้ข่าวชื่นชมสนิดนึงเขาบอกว่าโว โอรุยหนักเลยน ะ, ะจังหวัดอื่นหรือพื้่อื่ น, ย, ย, นยังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะแต่อุดรธา น, นีเริ่มกันก่อนไปตรวจยึดตู้ขี้ตุ๊กตาหยอดเหรียญแล้วก็สั่งให้หยุดบริการทั้งหมดเลยนะครับทั้งจังหวัดเลยหลังจากศาลตัดสินว่าเข้าข่ายเป็นการพนันตามบัญชีขอไข่หมายมเลขยี่สเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจากโกลหรือสปริงดีดการพนันชนิดนี้จะให้มีการเล่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ ญ, ญาตจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพรบการพนัน 2,478 คือนานมากแล้วแต่<ช>ยังใช้อยู่<ช>ทางด้านของหัวหน้าฝ่ายการพ น, นันสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณบัญชาอินทรวิเศษท่านบอกงี้ว่า ดยลักษณะของการหยอดเหรียญที่เป็นเหรียญ10 บ, บาทกดปุ่มมังคับคิบตุกกาตาซึ่งอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะฮ ะ, ะเข้าขายเป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงฉบับที่23ตามพรบการพา น, านันตามบัญชีขอไข่ามาแล้28คําพิพากษาสารดีกาคือซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเองยังไม่เคยทําการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องเล่นชนิดนี้อา้อาวเราก็ไม่ทราบนะว่าเราก็ไม่ทราบาก็เห็นติดตั้งตามห้างกันอยู่ก็ได้ไม่แน่ใจเขาก็เลยบอกว่านี้ขอเตือนผู้ประกอบการหากจะติดตั้งเครื่องเล่น ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กันก่อนนะฮะ้าหนที่นะฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่ก่อนเพราะถ้าไปติดตั้งสุมสีุ่ม5นะฮะอาจจะเข้าข่ายความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยครับทางด้านของความเห็นนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันนะคะคุณณัทพงศ์สัมภาวแก้วบอกว่าเครื่องเล่นชนิดนี้เนี่ยระบาดหนักนะแล้วก็พบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะศูนย์การค้าโรงแรมภาพยนตร์ร้านเกมปั๊มน้ํามั น, มนตลาดแล้วก็จุดต่างๆในย่านชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยอยู่ในที่โจ่งแจ้งค่ะเข้าถึงได้ง่ายได้รับความสนใจจากเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าใช้เงินในการเล่นเนี่ยเพียงแค่ครั้งละ10บาทเท่านั้นเเพื่อสียงด ขงลุนตุกตามีมูลค่าสูงกว่าเงินที่ลงทุนหลายเท่านี่แหละคะ่ะเป็นปัจจัยกระตุ้นสําคัญนะคะในการมอมเมาเด็กและก็เยาวชนให้โน้มเอีย ง, ลงหลงใหลและก็เสพติดการพนันชนิดนี้นะคะซึ่งในระยะยาวมีความสุ่มเสี่ยงในทัศนคติทางบวกกับการพนันชนิดอื่นแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของกิจการชนิดนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการระ บ, บุข้อความเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยนะอย่างที่คุณบอกเขียนว่าตู้ฝึกทักษะนะคะบางทีก็ระ บ, บุว่า ตูสินค้านี้ไม่ใช่เครื่องมือการพนันอ่าเขียนว่าอย่างนั้นนะคะคอีกทั้งค่ะก็ยังไม่มีการควบคุมอายุผู้เข้าเล่นด้วยซึ่งการลงพื้นที่ของเครือข่ายนเนี่ยพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเข้าใช้บริการเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งก็ผิดตามกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนันปี2478นะคะว่าด้วยบทบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาตรา7วงเล็บ3ค่ะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นนอกจากนี้นะคะยยังงสสุส่่่มมมมเีีีทจะควาาผิดต จะบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2,546 อีกด้วยค่ะทางเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันเขาบอกงี้ฮะเขาจะไปเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา ด, ดังกล่าวโดยขอให้ไปตรวจสอบการออกไปในญาตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายด้วยนะควบคุมการออกไปอนุญาตให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงการกําหนดพื้นที่ในการวางเครื่องเล่นชนิดนี้ให้อยู่เป็นที่เป็นทางอืมอาจจะไม่ได้แบบเห็นได้ง่ายมนมเหมือนเดี๋ยวนี้ละคือไม่ได้แบบต้อง คือต้องเข้าถึงได้ยากไม่ใช่เข้าถึงง่ายแบบนี้ทางผู้ว่าของ จังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพเองฝ่ายปกครองก็ควรดําเนินการให้ยุติกิจการในรูปแบบดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็นของข้อกฎหมายและก็ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญต่อประเด็นต่างๆแล้วก็ผลการจัด ก, การพานันด้วยรวมถึงปกป้องเด็กและเยาวชนที่เปราะ บ, บางไม่สร้างพฤติกรรมความคุ้นชินและทะัศนติทีด่ดีต่อการพา น, านันและควรมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายและก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงังเพื่อป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ า, จากการพานั น, านอีกด้วยนะคะ อา้าวแล้วก็แตดผ้าคุณพ่อคุณแม่มนะฮะ<ม>เห็นเครื่องนี้ตั้งอยู่เอ๊ะไม่มั่นใจว่าเขาอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าแจ้งเจ้าหน้าที่กันไปก่อนว่าเอ๊ะังให้ตรวจสอบหน่อย<ม>ว่าเขาได้รับอนุญาตจริงไหม ถ, ถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็เพื่อความชัดเจนนะฮะอา้าวนี่คือเบรกแรกของเรานะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนี้จากเหตุการณ์ของศิลปินนะฮะท่านหนึ่งที่มีอาการเลือดออกนะฮะ อาเออกมาแล้วก็มีเลือดออกแล้วก็เข้าโร<า> ง, <ล>งพยาบาล<า>แล้วก็มีการเสียชีวิตในในเวลาต่อมาหลังจากทางแพทย์เองก็มีการวินิจฉัยในครั้งแรกบอกว่ายังยังไม่สามารถที่วินิจฉัยได้<ะ>แล้วก็มีการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจล่าสุดนะคุณมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ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 ติดตามในช่วงนี้นะคะกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะขวฟังค้าภายหลังการเสียชีวิตของคุณน้ำตาลบุตรสรันทองชิวนะคะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเองก็มีการขอในเรื่องของการตรวจนะคะวิจัยชิ้นเนื้อของคุณน้ำตาลซึ่งล่าสุดนะคะมีการออกมาเปิดเผยว่าเป็นวัณโรคหลังโพรงจมูกนะคะ พร้อมกับมีการชี้ว่าโรคนี้เนี่ยพบได้น้อยมากเลยค่ะเพียงแค่หเอร์เเท่านั้นและขอย้ำนะคะว่าวันโรคนั้นไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจนะคะสามารถรักษาให้หายได้ค่ะคือทางด้านของท่านคณบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสารตราจาร์ดร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาท่านออกมารายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูกของคุณน้ำตาลบุษรานทองชิวโดยมีรองสารตราจาร์์นายแพทย์ปรัชญาสาอาสา กิจลักษณ์นะครับในสาขาวิชาสรีสัตร์หัวใจและสูงอกภาควิชาสรีสตร์ร่วมด้วยนะฮะมีการประชุมมีการแถลงข่าวร่วมกันคือจากการเสียชีวิตของคุณน้ําตาลเองเมื่อวันที่14มิถุนายนทางคณะแพทย์เองก็ได้มีการขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูกและก็พบว่าบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกเนี่ยมีสีผิดปกติไปจากปกจากเดิมขนาดประมาณ0 5นถึงหเซนเมตรจึงขอตัดชิ้นเนื้ อ, อนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยเพื่อ น, นำมาตรว วิธีใัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุการเสรียชีวิตระหว่างการตัดชิ้นเนื้อพบว่ามีเลือดไหลออกมามหลังจากย้อมชิ้นเนื้อแล้วพบว่าเข้าได้ เ, าเ้าได้กับวัณโรคแต่ไม่พบเชือ้อคณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจอีกวิธีการหนึ่งคือที่เรียกว่า cpr pcr คือเป็นเป็นสาบของของทางทางแพทย์นะฮคะคือการตรวจหา dna ของเชื้อวัณโรคคือก็พบว่าผ ล, ผลออกมาเป็นบว ก, บวกผลการตรวจ PCR ดังกล่าวเนี่ยและผลการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจึงบ่งชี้ได้ว่ามีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูกซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยมากนะครับนอกจากนี้นะคะคุณหมอยังเปิดเผยว่าจัดสถิติของประเทศไทยเองนะคะในปี2560้ค่ะคุณฟังคะคนไทยป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะคะจากประชากร69ล้านคนโดยรอยละ83นั้นตรวจพบ วัณโรคที่ปอดนะคะร้อยละสินั้นตรวจพบนอกปอดค่ะสําหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกพบได้น้อยกว่าร้อะหนึ่งของวัณโรคที่พบนอกปอดนะคะอีกทั้งวัณโรคนั้นก็สามารถเป็นได้ตามอาวัยวะอื่นๆของร่างกายค่ะสําหรับวัณโรคหลังโพรงจมูกนั้นนะคะรายงานจากการแพทยทวโลกพบว่าผู้ป่วย1ใน3นั้นอาจไม่มีอาการใดๆเลยค่ะและประมาณร้อละเจนั้นจะมีต่อมน้ําเหลืองที่คอโตหรือมีก้อนที่บริเวณหลังโพรงจมูกนะคะการวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกมักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้ หรือว่าตอมน้ําเหลืองค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ปาร์กิตวาทีสาธกิจนะครับเลข า, าลธิการมูลนิธิอุรานลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในฐานะของอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดโรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวว่าปี2 1เนี่ยคนไทย<ห>เป็นวัณโรคนับแสนคนถือว่าเป็นสถิติไม่ค่อยดีที่มีผลต่อสุขภาพของประชากรและเป็นโรคที่อันดับ14ของโลกด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยมักเป็น เกี่ยวกับคนได้อโอกาสที่อยู่แล้วก็ติดต่อกันในชุมชนแออัดคนที่ดื่มเหล้าซูบูรีด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เกิดขึ้นนะฮะจะมาเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อเอชวเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องะจะทําให้เชื้อเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็แสดงอาการได้ง่ายด้วยนะฮะสำหรับวรณโรคเองคือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงซึ่งสามารถติดต่อการผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือเราไปอยู่ที่ร่วมกันกับผู้ป่วยวันโรคเป็นเวลานาน แล้วก็โรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรักษาหายได้ย้นะหากเราทราบเบื้องต้นแล้วก็รักษา ตอออย่่่างงเนืทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่แออัด น, นะคะท่านั้นของแพทย์หญิงพรรณิศกมลวัฒน์นะคะผู้อำนวยการสํานักวันโรคค่ะก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวันนรคเอาไว้นะคะซึ่งวันนรคนั้นอย่างที่บอกกันก็คือเป็นโรคที่ติดต่อกันทางเชื้อแบคทีเรียนะคะเป็นโรคติดต่อทางการหายใจค่ะปกติแล้วนะคะเชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวันโรคปอดเนี่ยไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็กนะคะวัณโรคเกิดได้ทุกอวัยวะของร่างกายจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆกรณีของคุณน้ําตาลก็คือ จมูกนั่นเองนะคะวันโรคส่วนใหญ่พบที่ปอดค่ะร้อยละ80 หรือว่ามากกว่านั้นนะคะแล้วก็นอกปอดซึ่งเป็นผลจากการแพร่เชื้อไปยังอวัยวะอื่นๆได้นะคะที่พบได้มีส่วนไหนบ้างมีเยื่อหุ้มปอดนะคะมีต่อมน้ําเหลืองค่ะมีกระดูกสันหลังข้อต่อช่องท้องระบบทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทแล้วก็โพรงจมูกนั่นเองนะคะ mm. วิธีการสังเกตอาการค่ะกัวฟังค่ะว่าเราจะมีอาการสงสัยเป็นวันโรคปอดหรือไม่นะคะไอระรังนาน2สัปดาห์ขึ้นไปไม่ทราบสาเหตุนะคะผู้ป่วยบางรายเขาบอกไม่มีไม่มีอาการไอนะไม่ปรากฏอาการนะคะหรือ หรือมีอาการอื่นๆเช่นน้ำหนักลดเบื่ออาหารอ่อนเพลียรู้สึกทำไมมันมีไข้หรือมีไข้ต่ำๆนะคะถ้าหากว่าคุณมีอาการอย่างน้อยเนี่ย อ, อย่างขึ้นไปนะคะให้รีบตรวจหาวันโรคที่จะทานพยาบาลใกล้บ้านของคุณค่ะการป้องกันโรคสนิดหนึ่งนะครับก็ดูแลให้ร่างกายแข็งแรง ตรวจสุขภาพอย่างเสมอโดยเฉพาะการตรวจการทํางานของปอดแล้วก็ตรวจเสมหะถ้ารู้สึกอาการอ่อนเพียนะครับต้องไปสถานที่ปิดนะฮะเช่นห้างเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยมแล้วก็ดูคนข้างกายว่าเอ๊ะเขาป่วยเป็นโรคหรือเปล่าอย่างไรก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะวิธีการรักษาตอนนี้ก็มียารักษาวินาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ต้องย้าว่ากินยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนก็จะหายเป็นปกติแต่ถ้าเราไม่มีวินัยในการทานยานน จะเกิดอาการดื้อยาแล้วจะต้องใช้ในการรักษานานถึง2ถึง10ปีเลยนะครับเอาเรื่องนี้โรควันโรคเองไม่ใช่เป็นโรคที่น่ารังเกียจนะฮะแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะครับเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่รับเชื้อมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้ามมาเรื่องสุดท้ายดีกว่าคุณณธิตยาวันนี้มาดูเรื่องหวยสนิดหนึ่งสาากิมรัฐบาลจะปรับนะฮะืนชีพชีหวยบนดินสะนิดหนึ่ง เพื่อที่จะป้องกันนะฮะบอกว่าโอ้โคนซื้อเยอะใช่ไหม เขาบอกคุมราคาไม่ได้มไม่ไหวแล้วนะซื้อผ่านมือถือเลยแล้วกันนะคะเรื่องราวนี้ค่ะอธิบดีกรมสรรพษษาสานมิตรนะคะคุณพัชระอนันตสินนะคะในฐานะประธานกรรมการสํานัก ง, งานสลากกินแบบรัฐบาลเองก็เปิดเผยว่าในการประชุมนี้นะคะได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารเสนอแผนการเดือนหน้าออกสลากออนไลน์นะคะทั้งหวยบนดิน2ตัว3ตัวสลากลอตโต้นะคะให้พิจารณาด้วยเพื่อกําหนดว่าจะดําเนินการรูปแบบใดแล้วก็เตรียมแนวทางนะคะจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณานะคะภายหลัง งจากที่พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาลฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ทำให้กองสลากเนี่ยสามารถออกสลาก รูปแบบใหม่ๆได้นะคะส่วนของอาทางด้านของลอตโต้ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจนารณาแนวทางนะคะซึ่งคงจะต้องเสนอให้คณะกรรมการสลากพิจนารณาเบื้องต้นไปก่อนเช่นเดียวกันนะคะถ้าหานนโยบายดังกล่าวมีความชัดเจนรัฐบาลต้องการผลักดันก็จะคาดว่าใช้เวลาหนึ่งปีนะสําหรับสลากลอตโต้นะครอาจจะมีการดําเนินการออกเป็นกฎกระทรวงนะคะเปิดรับฟังความคิดเห็นเลยคะ่จะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งการจะซื้อจัดจ้างให้เอกชนเน่ยเข้ามาดูแลระบบ ก, ก็จะสามารถออกสลากออนไลน์ซื้อผ่านมือถือ อย่าเพิ่งไปมองถึงเรื่องของค่าตอบแทนนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไรเขาจะทำให้ถูกต้องก็รอดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวบัญชาพิจารณาอีกครั้งนึงเอาละหมดเวลาแล้วนะฮะกั บ, กบข่าวเช้าวันศุกร์ในวันนี้เจอกันได้ใหม่สุกหน้าเวลาเดิมกลับมาอย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนนะฮะเ<ช>จอ<า> ก, กันนะฮะสัปดาห์หน้าวันนี้ลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ